ในอีสานของเราในพรรษาเนี่ยก็มีอยู่2วันนะลูกหลานนะวันข้าประดับดินก็เบือนเดือน9ดับที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นวันเดือน10บแผ่นเนี่ยก็เป็นวันทาบุญฉลาศในพรรษามี2วันและจากนั้นก็เป็นวันออกพรรษาแหะทานี่พิธีการเป็นเรื่องของพวกเราจะทำบุญอีกรอบหนึ่งจากนี้ไปก็เดือนห น, นึ่งหมะนวันเดือน12สองวันเดือนสิ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 แต่บางทีก็34วันก็มีน้อยที่องหลงตาเทศแต่ท่านปัญญากุพยายามอัดอัดเท็บเท็บหลงตาอัดแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีถ้าหาว่าหมววไหนหถ้าหมววไหนหลงตาเทศดุมีเหตุผลในหลักนั้นท่านจะเขียนตัวเอสไว้ฮะเอสแปลว่าเบอร์หนึ่งมาแปะแต่ถ้าท่านจะเขียนว่าเบอร์เอสก็ฟังเลย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 ธรรมธรรมะชุดเตรียมพร้อมท่านเทศให้คนคนหมดหมดหมดหวังในชีวิตแล้วท่านให้เตรียมพร้อมอย่างไรให้ฟังไปย ฟ, ฟังศึกษาดูธรรมะมีทั้งหนังสือมีทั้งเทปด้วยมีทั้งเสียงหลวงตาด้วย เ, เนเธอท่านปัญญาเนี่ยเป็นผู้อัดแต่ว่าวันหลวงปู่ลีเขาไปหลวงปู่ลีเขาไป เ, ปรเไปพราะท่านปัญญาไม่สบายหรือว่าไม่พร้อมนี่ก็ให้หลวงปู่ลี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 เั่นแหละไปลกกี่ครั้งตกกี่หนเหมือนกันอแต่ลงตาท่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ท่านไม่ได้สนใจแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องอัดแต่ลงปู่รีเวลาเข้าไปเนะี่ยเวลาเห็นตุกกนะตต๊กแกเนะี่ยลงตาเอาทํำดีไอ้ตุ๊กแกลงปูรีเนะี่ยโอ้เก่งมากได้จับตุ๊กแกมับ ท, ทันทะีเลยจับตุ๊กแกเอาไปปล่อยที่อื่นนะเพราะพ อ, พอไว้ที่นั่นมั น, ม, นมันขี้ใส่สาลามันเหม็นไนงะ เจะไปปล่อยที่อื่นไปปล่อยทางหลังวัดไปปล่อยที่มันอยู่มันอยู่ไกลคนนี่แหละอันนี้แหะคือชีวิตของวั ด, ว ด, วดป่าบ้านตาดจากนั้นก็เนี่ยท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยท่านชันท่านจังชันจังหานท่านนั่งพับเพียบนะเพราะท่า น, นมีโรควั น, นโรกในในฝ่าเท้าของท่านสมไมเป็นหนุ่มไม่หายนะวั น, นโรกตัวนี้ก็แปลกนี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 กับกุติมีกาน้อแต่พอไปถึงกุติแล้วนะขึ้นไปกุติแล้วก็ท่านต้มน้ำชาเป็นประชัมจำนะท่านบระชานี่ขาดไม่ได้น้ำชาเหมือนกันใครจะมีเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องน้ำชาเนี่ยท่านปรยาเนี่ยพอไปถึงกุติแล้วน่ท่านก็หักกิ่งไม้นะแต่ตามไม่จริงท่านใช้ไฟงฟงไฟงฟ้าพระฝรังใช่ไหมอันนี้ไม่ ไฟฟ้าบรนตาดไม่มีท่านจะหักกิ่งไม้ขนาดเท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อยเนี่ยตัดประมาณจะเครืบหนึ่งเนี่ยท่านจะตัดของวันไว้แหละริด ล, ลอนของวันเก็บเก็บไว้จากนั้นก็ใส่เตาอังโล่นะเตาเนี่ยเตาอังโลที่จุดผ่านจากนั้นก็ใช้น้ํามันหยดนิดหน่อยเทียนหยดนิดหน่อยแล้ก็จุดพอจุดคือมาลนะเลยเอากาน้ํากาน้ำเนี่ย กาโลปิเนียมะดำๆเนี่ยต้มน้ําทุกวันเนี่ยมันควันไฟใช่ไหมล่ะอย่ากนั้นถึงก็มาต้มน้ําเอพอต้มน้ําเดือดแล้วก็ เ, เทใส่กาพิธีพิถันนะท่านปัญญาดื่มน้ําชาเนี่ยนะใส่ปั้นชาแล้วก็เทเอให้มันร้อนนะลวกให้มันร้อนซะก่อนแล้วก็วกเทออกเทออกก็เด่นเอาชาเนะย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 เป็นช่างทั้งหมดเนี่ยขนาดทาค้อนตีตะปูแต่ยังเขียนแบบนะยลงตาอย่างกรอดโอ้โหขนาดทําด้ามมีดยังมีแบบเนะยลงตามหาบัวว่านะท่านหัวเราะท่านปัญญาโอ้ถ้าทำมีถ้ามีแบบก่อนแล้วนะมันจะไม่ผิดพลาดเหมือนกันอทําใหญ่ขนาดนี้ทําเป็นอย่างนี้เขียนแบบไว้หมดก่อนที่จะทําอะไรนะนี่แหละพอตกตอนเย็นมาแล้วอะมันข้ามมก็จุดเทียนเลยจ้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 นำเงินเหล่านั้นไปซื้อทองคําแล้วก็ให้มอบทองคําเข้าเป็นเข้าคลังเข้าคลังหลวงเพื่อให้เป็นประกันเวลาเป็นประกันเมื่อพิมพ์ธนบัตรออกมาเนี่ยจะได้มีคุณค่าเพราะมีเงินมีทองคําอยู่ในทองคําอยู่ในคลังหลวงเป็นประกันเป็นประกันธนบัตรอย่างไรลงตาคิดถึงขนาดนั้นละ่ะ แต่จากนั้นก่อนเนี่ยวันที่หลวงตา ม, มรณะภาพนได้ปัจจุะตุปัจจัยตั้งเจ็ดแปดพันตั้งเจ็ดตั้งเจรล้านนนั้นลูกหลานนะแล้วก็ทองคำอีกต่างหาการวมแล้วก็ได้ทองคำเข้าคังหลวงรวมได้ 10-13 ตันกว่านะาไม่ใช่น้อยแต่ตันกับว่าตันไม่ใช่หมื่นนะไม่ใช่กิโลนะกิโลไม่ใช่นะสิบสามตัน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 อารับผ่อนในสถนีนคณะสัทธทาญาิโฉมลูกหลาน